เปรียบเหมือนอย่างว่าเอาทัพสสมภาระต่างๆมาสร้างบ้านนี่เป็นการที่เรียกว่าสร้างบ้าน เรียบเหมือนเนี่ยว่าเป็นกรรมภพมก็เป็นอุปฏิภพคือเกิดเป็นบ้านขึ้นเมื่อสร้างเสร็จเกิดนั่นคือชาติเมื่อสร้างบ้านก็เกิดเป็นบ้านขึ้นเมื่อสร้างโต๊ะเก้าอี้ก็เกิดเป็นโต๊ะเก้าอี้ขึ้น ทีแรกเมื่อสร้างเราก็เกิดเป็นเราขึ้นสร้างนั่นเป็นตัวพบเกิดก็เป็นชาติและเมื่อตัวเรานี่สร้างกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนดีขึ้นทันทีสร้างอกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนชั่วขึ้นทันที เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้พบกับชาติก็คู่กันอยู่ดังนี้ตลอดเวลาความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วนั้นมีทันทีในเมื่อสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นคือเมื่อตัวเรานี่สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นคราวนี้ ถ้าไม่มีการสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นที่จะเกิดเป็นคนดีคนชั่วก็ไม่มีและหากว่าถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครจะเป็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วจึงต้องมีตัวเราตัวเราจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีการสร้างขึ้นมา ด้วยอุปาทานเป็นอาหารการขึ้นมาก็เป็นวังวงการดังที่กล่าวมาแล้วก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นมาเราจะเห็นว่าชาติภพนั้นหรือภพชาตินั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกขณะเป็นสจัจจะคือความจริงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป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 ในธรรมจะแสดงพระเถราธิบายเรื่องสมมาทิฏฐิที่ท่านพระสารีบุตรเถระ ได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถามปัญหาเรื่องสัมมาทิฏฐิซึ่งท่านก็ได้แสดงมาโดยลำดับ ตามที่ภิกษุทั้งหลายถามคือเมื่อท่านตอบจบไปคราวหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ถามท่านอีกว่ายังมีอธิบายอย่างอื่นอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามี และท่านก็อธิบายไปจบแล้วพิสษุทั้งหลายก็ถามท่านอีกว่ายังมีอธิบายเป็นอย่างหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีท่านก็อธิบายไปจนถึงเข้าหมวดแห่งธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันโยงกันไปเป็นลูกโซ่ซึ่งเรียกว่าปฏิจฏจัดสมุปบาทก็ได้นำเอาพระเทวราธิบายนี้มาแสดงโดยลำดับ <c oughs> จนถึงท่านตอบ ปัญหาที่พิกษุทั้งหลายถามดังกล่าวในข้ออุปาทานซึ่งสืบเนื่องมาจากพบซึ่งได้แสดงไปแล้วโดยที่ มีขึ้นก็เพราะมีอุปาทานท่านจึงได้จับอธิบายสัมมาทิฏฐิในข้ออุปาทานนี้คือท่านได้มีเทราอธิบาย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 ให้ถึงความดับอุปาทานและท่านก็ได้แสดงอธิบายในข้อแรกคือข้อที่ว่ารู้จักอุปาทานจำแนกอุปาทานเป็นสี่ คือคามุปาทานความยึดถือก ร, รมความยึดถือกามทิฏฐุปาทานความยึดถือทิฏฐิสีละพะตุปาทานความยึดถือศีลและรส อัตตาวะทุปาทานความยึดถือวาทะวตุนรู้จักอุปาทานก็คือรู้จักอุปาทานทั้งสี่นี้ รู้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทานก็คือรุ้อุปาทานเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาเกิดขึ้นตัณหาจึงเป็นเหตุเกิดแห่งอุปาทานรู้จักความดับอุปาทาน ก็คือรู้จักว่าตัณหาดับอุปาทานก็ดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็คือรู้จักว่ามักมีอง์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน จะได้แสดงอธิบายอุปาทานทั้งสี่ก่อนอุปาทานนั้นแปล ก, กันว่าความยึดถือได้มีพระพุทธทธิบาย ซึ่งท่านภาษาในบทนำอธิบายว่าอุปาทานมีสีก็คือข้อหนึ่งกามมปาทานความยึดถือกรรมความยึดถือกรรม กามนั่นก็ได้แก่วัตถุ ก, กามกับกิเลสกามดังที่ได้เคยอธิบายแล้ว ยึดถือกามก็คือยึดถือกามที่เป็นวัตถุ ก, กามอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณที่นารักใครปรานาผลใจทั้งหลาย ว่าเป็นของเราอันอาการที่ยึดถือนี่เมื่อแสดงเป็นกลางกลางท่านก็ไน้แสดง อาการที่ยึดถือดังนี้ว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหะ ม, มัสสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัฏตานี่เป็นอัฏตาโดดเดนของเรา แต่ปาทานนี้อธิบายแต่เพียงว่ายึดถือว่าเป็นของเราอยากเข้าใจได้ง่ายคือยึดถือว่ารูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นของเราแต่ก็ชื่อว่าได้ยึดถือเอาตัวกิเลสกรรมคือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจนั้นไว้ด้วย ไม่ปล่อยความรักความใกล้ความปรารถนาความพอใจในวัตถุนั้นๆเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ยึดถือวัตถุนั้นๆที่รักที่ใครที่ปรารถนาที่พอใจ ถ้าไม่มีความรักความใคร่ความปรารถนาะความพอใจอันเป็นกิเลสกรรมวัตถุนั้นนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกรรมเป็นแต่เพียงวัตถุเฉยๆดังเช่นท่านที่สิ้นอาสวะกิเลสแล้ว เป็นพระอระหันต์ไม่มีกิเลสสกรรมคือความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอันเป็นตัวกิเลสอยู่ในจิตใจเพราะสันละได้หมดสิน้นเพราะฉะนั้น เมื่อท่านเห็นรูปอะไรทางตารูปนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกรามของท่านเพราะท่านเห็นรูปนั้นแล้วท่านไม่รักไม่ใครไม่ปรารถนาไม่พอใจท่านพากจิตออกจากรูปนั้นได้ ท่านได้ยินอะไรทางหูได้สับกลิ่นสัรบ ร, รบสสับโหดสัพะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันท่านคิดนึกอะไรทางใจก็เช่นเดียวกันทุกๆุกอย่างไม่เป็นวัตถุ ก, กรรมของท่าน ท่านพรากจิตออกจากวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑทั้งหลายทั้งปวงได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัทั้งปวงนั้นไม่เป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจของท่านจึงไม่เป็นวัตถุ ก, กรางเฉยเฉย พระอรหันต์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่นับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเห็นรูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูทราบกลิ่นทราบรสทราบผดสะพะทางจมกูกทางลิ้นทางกาย รู้คิดเรื่องอะไรทางใจเช่นเดียวกันกับคนทั้งหลายแต่ว่าท่านไม่มีกิเลสกามอยู่ในใจที่จะออกไปรักใครปรารถนาพอใจในทุกๆสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ยินเป็นต้นเหล่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นวัตถุกรมของท่านเป็นวัตถุเฉยๆทางนี้ก็โพรดะท่านละอุปาทานคือความยึดถือได้หมดสิน้นโดยตรงก็ไม่ยึดถือกิเลสกรรมนั่นแหละ ไม่ยึดถือเอาความรักความใคร่ความปรารถนาะความพอใจเอาไว้ในใจละได้หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ยึดถือวัตถุทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุ ก, กรรมนั้นแต่วัาฐาญญชนทั้งหลายนั้น ยังมายังมีกิเลสกรรมอยู่ในใจยังมีความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจยังไม่ปล่อยยังไม่วางความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจในวัตถุทั้งหลายที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าได้มีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้ด้วยและเป็นข้อสําคัญเมื่อมีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้จึงทําให้มีความยึดถืออยู่ในตัววัตถุที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้น ทำให้วัตถนนุนั้นเป็นวัตถุกรรมขึ้นมาและเมื่อกล่าวกันอย่างสามัญเข้าใจง่ายก็กล่าวว่ายึดถือวัตถุกรรมแต่อันที่จริงนั้นยึดถือกิเลสกามนั่นแหละยึดถือความรักความใคร่ความปรารถนาะความพอใจไว้ ไม่ปล่อยไม่วางอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญและอันนี้แหละที่เป็นตัวกามุ ป, ปาทานความยึดถือกามและเมื่ออธิบายดังนี้ก็เอาเข้าในอาการทั้งสามของอุ ป, ปาทาน นั้นได้คือยึดถือว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตราโตัวตนของคือยึดถือเอาเป็นของเราด้วยและเราเป็นนี่ด้วยนี่เป็นอัตราโตัวตนของเราด้วย ยึดถือว่านี่เป็นของเราก็คือยึดถือว่ารูปเขียงกลิ่นรสผดสะพะเหล่านี้เป็นของเราตลอดจนถึงยึดถือว่านี่เป็นความรักของเราความใคร่ของเราความปรารถนาของเราความพอใจของเรายึดถือว่า เราเป็นนี่ก็คือตัวเราก็เป็นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลทัพะตัวเราก็คือเป็นความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจ ทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นเป็นอัตราโตตนของเราเป็นอันว่าตัวตนของเรานั้นจะต้องประกอบด้วยความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจจะต้องประกอบด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยผลิัณฑ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายรวมอยู่ในตัวเรา แลวเราก็เป็นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเราเช่นเดียวกับอวัยวะในร่างกายเช่นแขนขาเป็นต้นอวัยวะในร่างกายทุกส่วนนี้จะกล่าวว่าเป็นของเราก็ได้เช่นว่าศรีรษะของเราแขนของเราขาของเรา จะกล่าวว่าเราเป็นอวัยวะเหล่านี้ก็ได้เช่นว่าในการถ่ายรูปก็ต้องถ่ายเอาเอาเอวัยวะเหล่านี้เลยเหล่านี้นั่นแหละที่รวมกันเข้ามีศรีรษะมีมือมีขามีลำตัวแล้วและเมื่อ เราเห็นรูปของ อ, อวัยวะต่างๆเหล่านี้เราก็เข้าใจว่านี่แหละเป็นตัวเราและเราก็เป็นอวัยวะเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้นี่แหละก็เป็นตัวเรา พราะฉะนั้นตามตัวอย่างนี้จะพึงเห็นได้ว่าอุปาทานคือความยึดถือนั้นเมื่อจะกล่าวให้ครบถ้วนก็ต้องกล่าวดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่าเอตตามะมะนี่เป็นของเรา เป็นนี่เป็นขาของเราเป็นแขนของเราเป็นศรีรษะของเราเอโซฮัมมัตสมิเราเป็นนี่ก็คือเราก็เป็นศรีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้นนี่แหละดังตัวอย่างที่ว่าเมื่อเห็นรูปถ่ายก็รูปถ่ายนั้นก็ถ่ายติดเอาเอาวัยวะต่างๆนี่แหละ รวมมันเข้าเราก็เป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้นนี่แหละและนี่แหละก็เป็นอัจจรตราโตตนของเราคือทั้งหมดก็เป็นอัตราโต้ตนของเราดฉะนั้นแม้ในข้อกามุปาทาน ยึดถือกามก็คือยึดถือด้วยอาการดังกล่าวมานี้แต่ก็ลึกซึ่งไม่ใช่เพียงวัตถุเท่านั้นยึดถือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอันเป็นตัวกิเลสกามไว้ด้วยไม่ปล่อยไม่วางถ้าหากว่าปล่อยวางตัวกิเลสนี้ได้ ตัววัตถุก็ปล่อยได้ทันทีไม่เป็นที่ติดไม่เป็นที่ยึดความสำคัญจึงอยู่ที่ความยึดอยู่ที่ตัวกิเลสยึดถืออยู่ที่ตัวความรักความคร่ความปรารถนาความพอใจดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือกรรมโมปาทานความยึดถือกรรม อันสามัญชนมีอยู่อย่างละไม่ได้ข้อที่สองทิ่ถุกปาทานยึดถือทิฏฐิคือความเห็นอันความเห็นนี้หมายถึงความเห็นผิด ยึดถือความเห็นผิดแต่ว่าที่ยังยึดถืออยู่ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเห็นผิดเมื่อรู้ว่าเห็นผิดเมื่อใดก็ย่อมจะละความเห็นผิดนั้นได้เมื่อนั้น ที่กล่าวว่าความเห็นผิดนี้พระพุทธเ จ, จ้าตรัสเรียกคำวาทิฐินี้มีคำประกอบเพื่อให้ชัดถ้าเห็นผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตรงกันข้ามคือเห็นถูกเห็นชอบ เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่ว่ามักจะกล่าวกลางๆคือไม่มาไม่มีมิจฉาไม่มีสัมมานำกล่าววัาทิธิเฉยๆและเมื่อกล่าววัาทิธิเฉยๆ มักจะหมายถึงความเห็นผิดและยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้อาการที่ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้เป็นตัวอุปาทานคือความยึดถือ การทำให้ดื้อดึงคือรั่นอยู่ในความเห็นของตนนั้นที่ผิดผิดความเห็นผิดนี้มีหลายระดับ